ยินดุสนก็เป็นของจิตใจเป็นบารมีเรมี10ประการเรามีสิประการเป็นเหมือ น, น, นกับเป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่การตัดเะริญการหลุดพ้นจากการมีว่ายการเกิดทานบารมีศีลบารมีนื้อขมมบารมีได้มาอยู่ ติดตัวอยู่คนเดียวติดริเวหาความสมุบใ น, นวิทยาการหาความสุดทางตาหูจมูกนิก้นกายนี่คำวมาแปลว่าการออกจากกามกามก็คือกามคุณหาตาหูจมูกนิ้วกายรูปเสียงกลิ่นลดโสดภะพตอนนี้เรายังติดรูปเสียงกันอยู่อย่งต่อหาความสุดจากการดูการฟัง การดืมาการรับประทานมันก็ทําให้เราเวียนวายตายเกิดอยู่กับ<ม>กามะพกนึ่ที่เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เนราฉาเนี่นก็พอก่อเก่ายังติดอยู่ในกามเทวดาก็ยังเสพกามแต่เสพ ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เพราะเทวดาไม่มีร่างกายอย่างแต่ใจของเทวดาก็ยังมีความหยาดที่จะเสพ เราก็จะเสพรูปทิศเสียงทิศเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลาเราฝันตอนนั้นเรากำลังเสพรูปทิศเสียงทิศกันถ้าเป็นรูปทิศเสียงทิศดีก็เป็นสวรรค์ถ้ารูปทิป์เสียงทิศไม่ดีก็เป็นอบายเป็นนรกเป็นเปรตเป็นเป็นผีเสพเสพแบบเปรแบบผีคือมีแต่ภาพที่ไม่น่าดีน่ากลัวน่าเกลียด นี่มีแต่ภาพที่ทำให้เกิดความวหิวโหยไม่สามารถที่จะเสดมันได้แต่อยากจะเสดนี่ก็เป็นเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ของของใจใจพื้นผู้เสดใจเป็นร่างทิพย์เวลา น, นตอนคืนล น, น, นอนหลับนี่ร่างกายพักผ่อนแต่ใจนี่ยังไปนี่ไปท่องเที่ยวใน สวรรค์ในนรกกันอยม่กำลังของบุญบาป ท, ที่ทำถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดอยู่ในทพกขของการเสกกรรมเราก็ต้องเจริญในตธรรมะบามีก็คือการถือศีลแปดการเจรนนิญเมตธรรมะบาียุติการหาความสุขผ่านทางร่างกาย อาหารก็รรับประทานพอประมาณไม่หาไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุข<อ>พวกบันเทิงมหอหสถต่างๆะละเวน้นการหลับนอนก็ไม่มากจนเกินไปนลักนอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันราเวลามานั่งทำใจให้สงบ นั่งทำสมาธิก็เป็นการเจริญอุเบกขาบาลมีตันต้องที่ก็ทานบารมีแล้วก็มารักษาศีลศินห้าเขาเรียกว่าศินบาลมีรักษาศีลห้าได้ก็มารักษาสินแปดเข า, า, รา 8, เรียกว่าเนคขมมาบาลมีพอรักษาเนรรักษาสินแปดได้ก็จะนั่งสมาธิได้ก็มีเวลา ท, ที่คนที่รักษาสีท่านั่งสมาธิไม่ได้เขาไม่มีเวลาเ็าเวลาไปหาความสุขทางลาหูจมุกลิ้นใจก็เลยต้องถือสีแปต่องถือสีแปได้ก็จะมีเวลามานั่งสมาธินั่งสมาธิได้ก็จะได้อุเบกขาบาลีเบกขาบาลีก็คือใจ ต่อสัจจ์ความอยากต่างๆใจใจกลางใจเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆรับรู้อะไรก็เฉยๆไม่มีความอยากแต่มันเป็นอุเบกขาบางเรมันเป็นอุเบกขาชั่วข่าวที่ได้จากการนั่งเสมาธิถ้าอยากจะได้อุเบกขาที่ถาวรตลอดเวลาก็ต้อง เจริญปัญญาบาราีปัญญาบาราีจะทำให้ใจเห็นโทษของสิ่งต่างๆเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขอันนี้พวกเรายังเห็นสิ่งต่างๆเป็นสุขกันอยู่เห็นรูปเียงกิ่นน่ยังเป็นสุขบางอย่างได้กันอยู่แต่เราเป็นคนเหมือนคนตามบอดมราไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขกัน พอสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปมันการความทุกข์ขึ้นมาเราก็ก็สายไปเสียแล้วเหมือนกับกินยาพิกเข้าไปแล้วเรารู้นทีหลังว่าเป็นยาพิษก็ไม่มีไม่สามารถที่จะถอนพิษออกมาได้สิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ข, นขึ้นลง เวลามันเป็นไปตามที่เราอยากได้มันก็ดีเวลามันเป็นไปในทางที่เราไม่อยากได้มันก็ไม่ดีเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาท่านบมันเป็นอนัตตามันจะไปทางไหนมันจะขึ้นจะลงนี่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้พอมันไม่ไปในทางที่เราต้องการมันไปเราก็ทุกข์กันเพราะนั่นบอกมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเสมอไปเวลาสุก็ ถูกตอนต้นแล้วมันมาทุกข์ตอนปลาเวลาทุกข์ก็ลาบากกันทุกข์มากถึงกับค่าตัวตายกันค่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาพอเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ก็มาทำแบบเดิมอีกมาหลงมาหลงกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์ตายพอได้มันมาเดี๋ยวมันทุกข์มันทาให้เราทุกข์ก็เสียใจ ถ้าฆ่าตัวตายหนีมันไปแล้ว ก, ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ทาจะไม่กลับมาเกิดใหม่ต้องทนอยู่กับมันไปทนอยู่กับความทุกข์นั้นไปถ้าเรามีปัญญามีอุเบกขาเราก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่กับการสูญเสียอยู่กับการพลาดพลาดจากกันได้ ไม่ล้องหมร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะใจไม่หลงไปยึดไปติดเหมือนเวลาที่คนอื่นตายเราไม่เราไม่ล้องหมร้องไห้ใช่ไหเพราะเราไม่ไปยึดไปติดเขาเลยแต่คนที่เรายึดติดอยู่เนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเราร้องหมร้องไห้เราก็ต้องมาฝึสอนใจให้อยากไปยึดไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปจากเรา หรืไม่เช่นนั้นเราก็ต้องไปจากเขาเพราะทุกคนมาที่นี่เดี๋ยวก็ต้องไปกันในชะ่ไหมที่นี่เหมือนสถานีรถไฟเรามารอขึ้นรถไฟเดี๋ยวขบวนใครมาก็ก็ไปกันละแยกกันไปรถไฟเรามาเราก็ต้องขึ้นนะถ้าเกิดความตายของเรามาถึงเราก็ต้องไปคนอื่นเขายังไม่ถึงเวลาเขาก็ต้องรอรถของเขาไปก่อนขบวนของเขายังมาไม่ถึง ทีเขาก็ไปก่อนเราบางทีเราก็ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่สถานีข้างหน้าหม่ไปเกิดใหม่ไปเจอกันใหม่แล้วก็ไปยึดไปติด ก, กันใหม่แล้วเวลาต้องจากกันก็ไปทุกกันใหม่ก็เป็นยีดไปทุกสถานีเนี่ยเรานั่งรถไฟขึ้นรถไฟลงรถไฟกันอย่างนี้มาไม่รู้กี่กี่ล้านครั้ง นี่ก็เป็นสถานีรถไฟอันหนึ่งนะชีวิตของเราตอนนี้เราเจอกันตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วจากคนนั้นจากคนนี้ไปทีละคนสองคนเริ่มต้นจากปู่ยา่าตายายเขามาอยู่ถึงเวลารถของเขามาเขาก็าไปแล้วเดี๋ยวก็มาถึงตัวเราตัวลูกหลานเราตัวพี่ตัวน้องเราตายกันหมดเ่เพราะเราเป็นเหมือนผู้โดยสาร มารอขึ้นรถไฟเลยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเจริญบารมีอย่าแบบนี้จะทำให้ใจเราไม่หลงเราจะไม่ไปยึดไปติดไปคิดว่าเขาเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่เราจะเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดแก่เจ็บตายไป คันจริงสิงที่เกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ใช่ตัวเขาเป็นเพียงคนรับใช้เขาตัวแทนเขาตัวเขาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่กับตัวแทนเขาร่างกายนี่เป็นตัวแทนของใจเป็นตัวรับใช้ใจเวลาร่างกายตายไปใจก็ขึ้นรถไฟใจไม่แดวร่างกายไปด้วยรถไฟก็คือบุญกรรมเนี่ยพาไป จะไปสถานีไหนก็ขึ้นอยู่กับตั๋วที่เราตีไตว้ตอนนี้เราตีตั๋วบุญเราก็ไปสถานีบุญเราตีตั๋วบาปเราก็ไปสถานีบาปชีวิตเราก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสร้างบา ร, รมีจนสามารถตัดความอยากต่างๆได้ความอยากนี่เป็นตัวให้เรา ไปทำบุญทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปถ้าเราตัดความอยากได้เราก็จะไม่ไปทำบุญไม่ไปทำบาปเราก็จะไปพันิพานแทนพันิพานก็จะเป็นสถานีที่ตัท้าวรไม่ต้องจากกันเดี๋ยวก็ไปเจอพระพุทธเจ้ากันไปเจอครูบาอาจารย์กัน ท่านไปรอพวกเราอยู่ที่สถานีนิพานเราต้องรอขบวนรถไฟนิพานต้องตีตั๋วบารามีสิทธิ์ตีตัวทานบารามีศีลบารามีนิมมัตบารามีอุเบกขาบารามีปัญญาบารามีถ้ามีปัญญาถ้ามีบารามีเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็จะไปถึงพระนิหานแล้ว พยายามตีตั๋วพวกนี้ไว้วันนี้ก็มามาตีตั๋วทานบารมีนรักษาศีลบารมีกันวันพักก็เอาเนข่ขมมะบารมีอันธรรมดาก็เอาพระศีนห้าบารมีวันพักก็เอาศีนแปดเนข่ขมมะบารมีแล้วก็นั่งสมาธิก็จะได้อุบักอุเบกขาบารมีถ้าพิจารณาตายลักได้เแปนว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ปัญญาบารมี เรได้ปัญญาเราจะมีก็จะตัดความอยากไนดะ้เพราไม่มีความอยากก็จะไม่มีไม่มีตัวดังเดินเราไปไปขึ้นรถไฟเราก็จะไปขึ้นขึ้นรถนิพพานรถนิพพานเป็นรถที่ไม่มีความอยากคนที่ไม่มีความอยากถึงจะขึ้นรถขบวนนี้ได้เหมือนก่อนทำไมนี้เวลาจะขึ้นรถบางทีก็ต้องตรวจโรคดูก่อนมีโรคหรือเปล่า ถ้ามีโรคเขาก็ไม่ให้ขึ้นขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็ต้องในีมีการตรวจเมื่อทตอนนี้มีโรคระบาด ท, ที่เกาหลีนะลองเครื่องก็จะมีการมาตรวจดูว่าเรามีติดเชื้อมปัป่าอันนี้แต่เป็นการท่าจะไปนิพพาน ก, ก็จะตรวจดูว่ามีความอยากอเปล่ามีภาวะตัณหาภาวะตัณหาหรือเปล่างาาาาาถ้ามีก็ขึ้นขบวนไปพั น, นิพพาน ไ, ได้ ถ้ามีตัญหาก็จะส่งให้ขึ้นไปไปไปวัดต่างสงสารแทนให้ในกระบวนสังสารละวัดเกิดแก่เจ็บตายแทนนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคําสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะนานานได้มาพบได้มารู้จักกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขตามความอยากกันหาความสุขทางตาหูจมูมกลิ้นกายและเวลาทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทุกข์เพราะเกิดจากการหาความสุขทางตาหูจมูมกลิ้นกายนี่แหละทุกข์เพราะว่าตาหูจมูกลิ้กนกายมันไม่สามารถทําหน้าที่ได้แล้วในเวลาต่อไปนี้ต่อไปเวลาแก่ลงไปตาหูต า, ตาไม่ดีดูแล้วก็มองไม่เห็น ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องร่างกายก็ไม่มีกำลังที่จะไปทำอะไรตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินเข้าหากองทุกข์กันเราคิดว่ามันเป็นกองสุขความจริงเราต้องเดินออกออกจากกามนีขำมะกามนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข แต่เราไปหลงกันเราก็เรียกว่าเป็นสุขกรมมาสุขความจริงมันเป็นกรมมาทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์ในการมเห็นก็สายไปใช่ล้วเห็นก็ไม่รู้ว่าเกิดม า, มาเกิดมาจากกามมาเสกกรมเวลาแต่งงานกันเราเสีย อ, อกเสียใจเวลาสามีภรรยาจากกันอันนี้ก็เป็นเพราะไปไ้มีสามีไปมีภรรยาใช่ไหม ถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรย า, ญญาก็ไม่ต้องมาทุกข์เวลาเขาเวลาเขาไปเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเรามีความอยากจะหาความสุขทางทางร่างกาย mm. ก็เลยต้องมีสามี mm. มีภรรย า, ญญา mm. พอมีแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันไป mm. หวานอมของเกินกันไปเพราะไม่ได้รักกันไปตลอดเวลาใช่ไหม มีบางเวลาก็มีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันเขาอยากจะเที่ยวเราอยากจะอยู่บ้านมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันนี่แหละเอความทุกข์ที่ได้จากการหาความสุขทางตาหูจมูกคิงกายพยายามมองหเห็นโทษของมันเราจะได้เบื่อแค ไ, ได้ไม่อยากจะมีมีแฟนไม่อยากจะมีครอบครัว อยู่คนเดียวจะสบายไม่มีอะไรสบายเท่ากับความสงบของใจอยู่คนเดียวมันจะทำให้ใจสงบได้เพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายต้องมาวุ่นวายด้วยอยู่กับคนนั้นคนนี้มันก็ตมีเรื่องให้วุ่นวายเสมอนี่แนคะือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาหรืออยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนได้ยามาแล้วไม่เอาไปกินนยาจะวิเศษขนาดไหนถ้าไม่ไปกินมันก็รักษาโรคไม่ได้มันต้องกินกินก็ไปในร่างกายํำสองจะเจ้าก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันจะเข้าไปในใจแล้วมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจว่าการมีศีลดีอย่างไรการทาบุญ ท, ทาทางดีอย่างไร ทำาต้งมีความสุขใจสบายใจรักษาศีลก็มีความสบายใจหรือศีลแต่ได้ก็มีความสบายใจนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบ ก, ก็มีความสบายใจ ม, มีปัญญารู้ทานกิเลสตัณหาตัดมันได้ไม่ไปหลงตามมันก็ยิ่งมีความสบายใจนี่แหละคือของวิเศษที่เรานานๆจะได้มาพบกันสักครั้งหนึ่งยาวิเศษ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานจะไม่มีใครสามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนแล้วมาสอนพวกเราว่านี่แหละทาอย่างนี้ทาอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีความทุกข์ใจเลยไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเสียใจไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความหวาดกลัวอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆในใจนี้จะหายไป จะเหลือแต่ความสุขเย่างเดียวถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขแบบนี้ว่าเราก็จะหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาแล้วก็ต้องมาทุกข์ทุกข์ตอนที่มันเปลี่ยนไปตอนที่มันเสื่อมไปตอนที่มันจากาไปหรือตอนที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากมันได้ เพราะร่างกายมันหมดสภาพเหมือนไม่มีกำลังวังชามีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียบเดเบียนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่มีอารมณ์ที่จะหาความสุขกับอะไรมันมีแต่ความอยากจะหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพออยากแล้วไม่หายก็ยิ่งทุกข์อย่างบางคนถึงกับคิดค่าตัวตา ย, ยาในบ้านปลายของชีวิตเพราะเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หาย แตาก็ไม่ตายต้องทนอยู่ก็ไม่ก็อยากจะอยู่หาวิธีฆ่าตัวตายอแากก็ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์เลยฆ่าร่ า, างกายแต่ตัวที่มันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากเราต้องใช้บาลมีสของพระเจ้านี้มาดับต้องใช้ปัญญาบาลมีออเบคาบาลมีมาดับความอยาก เช่นเวลาเจ็บไข้ได้วยตัวอยากจะให้มันหายมันจะทุกข์มากถ้าเฉยๆเป็นก็เป็นไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปของปู่ชอบนี้ท่านเป็นอมตะกรรมภาสท่านก็อยู่กับมันไปท่านไม่ได้คิดชาติตัวตายท่านก็นั่งรถเข็นไปไหนมาไหนก็มีคนเข็นไปท่านก็ยังสอนญาติโยมปวดญาติโยมได้เข้าใจถ้าไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความพิกลพิการ แต่คนที่เคยเคยมีร่างกายสมประกอบพอมาพิการนี่ทุกข์มากแล้วระบาดความทุกข์ไปกับคนใกล้ใกล้ใกล้ชิดเนี่ยสามีภรรยาต้องทุกข์ไปกับคนนั้ น, เ, นเคยเห็นคนที่เป็นส ม, มาธิุมภาพแล้วเขาเขามาหาเนี่ยยูสภาพแล้วก็เห็นสงสารคนที่อยู่ใกล้คนใกล้ก็ต้องทนรับกับอารมณ์ของเขา เราก็ต้องมาทนกับการที่จะต้องคอยเลี้ยงดูเขารับใช้เขาแต่ถ้าเป็นคนที่มีมีธรรมะมีบาามีจะไม่ส่งความเดือดร้อนให้กับใครหรือแม้ตัวเองจะพิกลพิการอย่างไรนี้จะทาตัวเหมือนเด็กน่ารักอยากจะอาบน้ำให้ก็อาบอยากจะป้อนข้าวให้ก็ป้อนไม่บน่นไม่ร้องไม่เรียกอะไรคนที่มีมีธรรมะจะเป็นอย่างนั้น เพราะเขาไม่เขาไม่ไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายจะอดข้าวอดปากคนนั้นลืมลืมป้อนข้าวให้ลืมเลี้ยงข้าวให้ลืมหลับหน้าให้ก็ไม่บน่นไม่พูดอะไรไม่เฉยใจไม่เดือดร้อนใจเป็นสุขร่างกายความทุกของร่างกายนี้ไม่มีกาลังที่จะมาดับความสุขใจได้เพราะความสุขใจนี้มีกําลังมากกว่า แต่ในทางตรงก ok ันข้ามถ้ามีความทุกข์ใจต่ให้มีความสุขทางร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขทางร่างกายไม่มีกำลังที่จะไปดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขความทุกข์ของใจนี่รุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายคนที่มีความสุขทางใจจึงไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกาย แต่คนที่มีความสุขทางร่างกายกับเดืดอน้อนกับความทุกข์ทางใจเช่นกำลังฉลองวันเกิดอยู่มีคนส่งข่าวไม่ดีมาให้เนี่ยความสุขที่กำลังฉลองวันเกิดนั้นหายหมดเลยพอมีใครส่งข่าวไม่ดีมาให้เนี้ยความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วความสุขทางร่างกายไม่สามารถที่จะมายับยั้งความทุกข์ทาง ทางใจได้ความทุกข์ทางใจความสุขทางใจนี่สามารถที่จะเผชิญกับความทุกข์ยางลําบากของทางร่างกายได้ทุกรูปแบบนี้ร่างกายจะเป็นอะไรนี้ไม่เป็นปัญหาใจจะสบายเฉยๆเพราะร่างกายนี่เหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นพยายามฝึกชางิบาลมีนะทานรักษาศีล ภาวนาให้เกิดไม่ขมะให้เกิดอุเบกขาให้เกิดปัญญาแล้วจะเป็นเหมือนน้องต่างสบายมันก็ขีเื่อยไปฮะหลายโลกหายโลกแต่แไม่เดือดร้อนใช่ไหมเฉยเฉยเดือดร้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอัไรใช่ไหมอ่าจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้นะอแต่ะรอบเดินได้ใช่ไหมอ่ ก็ยังดีวันนี้ก็ววกข้าลงดาวเลยหน้ามืดนี้นะตาดันเลยตามดันตุรกีเหรอตัดการพิจารณาทำมมองกภาพรวมไปต้นปู่เรียต้นปู่นี้ก็เหมือนกันทุกภาะทุกนู่ที่อยู่ในวัฏตะวัๆานี้จะไม่ถือเป็นอาจารย์ถึงแม้จะมีพรรษามา มีอาจารย์หนงเดียวมีหลวงตาเป็นอาจารย์หนงเดียวน้อกนั้นถือเป็นลกูกศิษย์หมดแล้วก็ไม่ทําตัวเป็นอาจารย์แต่ก่อนนี้จะไม่ทำตัวเป็นเหมือนพระผู้ลูกวัดจังเยญาโยมใครมาหานี่ให้ขึ้นไปหาน้องตาคนเดียว <laughs> ไม่มีมานั่นรับแขกรับคนจ่ออยู่แขกกับหลวงตานี่มี ดีทำหนึ่งดีดปูุ่ญมีคนนี้อายุบ้างนะไม่ไหวแล้วเป็นปาคินสันอ่ท่านนาั่งนั่เข็นเลยตอนโะยงไปยังไม่นั่งท่านก็ยังลงมารับแขกได้ได้ไหมกาะกาศทา่านไค่ะไปสอครั้งแต่ท่านเสียงบ้างบอๆมากกันเทศแข็เหี่ยวหูป <c> ะ <oughs> <c oughs> เสียงบ้าบ้า เยอะมากขึ้นแต่เวลาเนี่นห้อเยเพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนรถไฟขบวนสุดท้า ย, ยถ้าไม่ขึ้นเที่ยวนี้เหล๋ยวหมดแล้วนะ <c oughs> มันุษย์จะมีเที่ยวให ม, มกก่เมื่อไหร่ถึงจะกลับอีกหน้าเลยค่ะทำวมาเก่านี้หายหน้ารู้จะไม่ได้เป็นมนุษย์เม่ไหร่ มาไปโน้นแล้วจะมาเจอพระพุทธศาสนารู้สากันไหมเพราะถ้าเกิดไปอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกก็อาจจะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้ะยงจะมีดีๆหลวงปู่ๆท่านบอกว่าให้ทําบุญไว้เยอะๆนะยังไม่อยากจะลงมาเกิดบอกไปยาวนู่นเลยพระสิระยาเมตอัยเห็นตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทําไปทําทานได้ก็ทําไปรักษาสี่งได้ก็รักษาไป ภาวนาได้กภาวนาทำได้มากมากพระอาจารย์ครับ<า>คุยมก็จะมีความข้อสองสัยนิดนึงว่าถ้าสมมติ ว, ว่าเราก็อาจารย์บอกเราามอยากไม่ดีใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เราจิตเราสว่างแล้วก็เป็นแบบว่า เป็นแบบว่ารวมโดยเร็วนะคะมันจะถือเป็นความอยากไหมคะถ้าก็เป็นความอยากอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องมียาขาดนี่จะพูดถึงความอยากที่เป็นโทษอความอยากที่เป็นคนอยากได้เช่นเหมือนกับอยากกินยาอย่างเงี้ยคนไข้ก็ต้องอยากกินยาเหมือนถึงยากินยาได้ถ้าเป็นคนไข้ไม่อยากกินยานี่มันก็ไม่ได้น ให้คนไทยอยากจะเที่ยวเงนี้ยไม่อยากินไม่อยากกินยาองนี้ไม่ดีคนไทยต้องอยากกินยาไม่อยากเที่ยวอยากเที่ยวความอาที่ว่าอยากจได้ใจสงบสว่างเนี่ยแล้วมันก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งมันก็ทําให้เราเกิดความไม่อยากพอไม่อยากแล้วมันจะไม่ไม่เหรอเพราะว่ากิเลสมันมันหาช่องไงช่องช่องอยากที่ดีมันจะมาตีมันจะตีรูให้เราเห็นว่ามันไม่ดีเข้าใจไหม อยากบวชีอยากบวชพระนี่มันดีแต่กิเลสมันจะงมันตีว่ามันเป็นความอยากเป็นกิเลสคือความอยากนี้พระเจ้าท่านกำหนดไว้สามข้อใหญ่หนึ่งความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอยากดูอยากฟังเนี่ยอันนี้ไม่ดีที่พูดนี้หมายถึงตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตัวอยากบวชอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ไอตัวนั้นตัวดีไอตัวนั้นอยากได้ อยากให้บวชได้ให้มันเร็วอได้อยากให้บวชะไรก็ได้แต่อยากอยากจนถ้ามันอยากเกินความเป็นจริงทําเป็นไปได้มันก็ไม่ดีเพราะมันทําให้ใจทุกข์ไปต่อไปมันต้องอยากแล้วทําทําตามที่เราอยากได้แต่ถ้าไปอยากทําในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ไปต่อไเราต้องรู้จักกําลังของเราแล้วอยากในตามกําลังของเราไปก่อนเป็นตอนนี้ถ้าเราอยากจะไปบวชแต่ไปบวชไม่ได้เราก็จะทุกข์ งั้นเราก็ต้องอยากตามกําลังของเก่าของเราไปก่อนตอนนี้เราทําอะไรได้ก็ให้อยากทําในสิ่งที่เราทําได้ไปก่อนทราบอาจารย์ไหมใช่ไอ้ตัวอยากที่ท่านให้ข้ามีสามตัวเนี่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสล้วอยากมีอยากเป็นให้อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนชอบรักเราชอบนะอีเราอยากได้อย่างหนึ่งนะคะ ก็เป็นความอยากได้อย่างหนึ่งไหมคะที่ว่าอยากตัวนี้มันเป็นโทษเนี่ยมีตัวนี้แล้วมันจะทาให้เราทุกข์แต่ถ้าอยากไปอยากไปบวชนี้มันไม่ทุกมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์มันจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเราต้องรู้จักดูว่าความอยากนั้นมันเป็นอยากอยากไปในทางเป็นคุณหรือเป็นโทษอยากเสพยาเสพติดเนี่ยมันเป็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปเสพนัน อยากจะออกจากกามเนี่ยอยากไปถือศีลแปดเนี่ยเป็นทางทนกันข้ามความอยากอยากอย่างนีด้ดีอยากจะเลิกเลิกติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากถ้าคุณอยากจะให้จิตสว่างสวยัยคุณต้องถือศีลแปดก่อนถ้าไม่ถือศีลแปดไม่มีวันจะสว่างสวัยได้เพราะไอ้ไอกามคุณเนี่ยมันจะมาทําให้จิตเศร้าหมองมันไม่ได้ทําให้สว่างสว่ง ต้องรู้จักแยกแยกความอยากความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ไม่ดีพระเจ้ามีสามสามตัวเนี่ยการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นเพราะว่าตัณหาความอยากีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ความอยากไม่ได้อยากก็ทุกข์อ่ะแล้วอันที่สามคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ย พอเกิดความอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากแก่อยากเจ็บอยากตายนี่เป็นประโยชน์พอนจะไม่ทุกข์มันจะสมหวัง อ, อยากตายแต่อยา่าไปข้าตัวตายเขา อ, อยากตายใจไม่ให้ฆ้าตัวตายอยากตายก็คือพร้อมตายถ้าพร้อมตายก็จะไม่ทุกข์กับความตาย ถ้าพร้อมเจ็บก็จะไม่ทุกกับความเจ็บพราคําคําว่าความอยากอยากเจ็บอยากตายก็นไหมถึงว่าพร้อมพร้อมที่จะรับมันอถ้าความอยากไปเนี่ยเป็นความอยากดีเนี่ยที่พระเจ้ามาสอนให้มันปฏิบัติเพื่อให้มาอยากแก่อยากเจ็บอยากตายมามาย้อนเก็ดของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเวลาเราเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันทุกข์เล แต่ถ้าเราอยากแก่นี่พอพอแก่แล้วก็จะดีใจโอ้ได้ได้แก่ดังใจอ่ <laughs> <laughs> าอองนี้ีด้วยเหรอคะก็มีลองทําดูสิคนลองอยากแก่ดูเดี๋ยวเวลาคนแก่คนจะดีใจนะเวลาคุณอยากได้แล้วเวลาคุณได้คนดีใจไ <laughs> ม่เสียใจก <laughs> ็เนี่ย พ, พิจารณาให้พิจารณาบ่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องใจก็จะได้ น้อมใจให้มาอยากแก่อยากเจ็บอยากตายมันจะได้ไม่ผิดหวังที่เราทุกเราผิดหวังเพราะเราไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่มันเป็นไปได้ที่ไหนนะอยากไม่เจ็บมันเป็นได้ทีไ่ไห การที่การอยู่บ้านเนี่ยเราจะรักษาสิ่งแปลกในค่อนข้างยากนะคะก็ต้องมปอยู่ว่าสิอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันอ่อนๆหน่อยเนี่ยเราจะถือว่ายังโอเคไหมคะก็ริ่มก็ต้องเริ่มจาก อ, อ่อนไปหาหารหนักแก่หาหาแขนน็งเลยอตอนตอนน้นก็ทําเท่าที่เราทําได้ก่อนเช่นถ้าข้อไหนยังถือไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปถือเลยถือที่เราถือได้สิ่งแปลเนี่ย ก็ไม่กินข้าวเย็นได้หรืเปล่าได้อันนี้นั่งกลายว่าเป็นข้อหนึ่งแต่รู้สึกว่าไม่ดจอยู่เลยไม่ดูบอเราสมบังใจได้เอาได้หนยก็ต้องเล่าต้องทําไปทีละเล็กเท่น้อยถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะทําได้เต็มที่ก็ทำเท่าที่เราทําได้ก่อนหือเมื่อถ้าหากว่าเวลาที่เราไปอยู่วัดเนี่ยเราก็ทําได้เลยแต่พออยู่บ้านมันไม่เคยทําได้อะรก็มันที่ไม่เหมือนกัน บรรยากาศมันไม่เ อ, อึ่งมันปลูกข้าวปลูกข้าวในน้ําดินดินดีกับปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันผลมันต่างกันเราก็ต้องรู้จักเลือกที่ปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปอยู่วัดเพราะมันง่ายกว่ามันเ อ, อื้งอยู่ได้ชัว่วก็ยังดีอ่ะออไปอาจจะติดก็ได้อยู่ไปนานๆอาจจะติดใจแล้วไม่กลับบ้านเลยก็ได้ถ้ามันได้เปรียบเทียบว่าอยู่บ้านเป็น เป็นเหมือนนรกอยู่บ้านอยู่ว่าเป็นเหมือนสวรรค์กลับไปหานรกทําไมอยู่สวรรค์ดีกว่าหลวงพ่อมชอบมีปัญหาที่กลัวนหมคะกลัวกลวอะไร <c oughs> <c oughs> เลยภาวนอาอยู่บ้าน <c oughs> ล้วกลัวอะไรเวลาไปวัดก็ถ้าให้อยู่คนเดียวนอนคนเดียวจะกลัวก็เราต้องต้องพิจารณาว่าที่เรากลัวในกลัวอะไรกลัวตายหรือว่ากลัวอะไร ถ้ากลัวตาแล้วถ้ากลัวไม่มีต an ัวตนเลยั็เวลากลัวพธอเจ้าก็บอกให้พุทโธพุทโธไปให้ส่วนมนตไปเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเราความกลัวนี่เกิดจากความหลงมันหลอกเราเองเพราะเลยเท่าไมก็อยู่ได้เขาไม่เป็นอะไร ต้องใจกล้ากล้าแล้วไปอยู่ที่มันที่เรากลัวคําน้อยหลวงพ่ออินทบายให้หนูไปอยู่ในป่าไปอยู่มันเลยแล้วก็เวลากลัวก็พูดก็ุทธโทรไปเลยพุดโทรแล้วพูดโทรไปเลยมาโทรศัพท์ก็เสียงกี๊ดขึ้นเสียงฉนีเสียงอะไรก็กลัวต้องใช้วิธีสวดมนต์ด้วยบริกรรมพุดโทรไปเวลาเกิดความกลัวแล้วมันกลัวมากหลวเมธลงหลวก็พูดธโทรพุทธโทรแล้วก็ยอมตายไปเลยว่าอะไรจะมาทํายอมตายไปเลยแล้วมันจะหายกลัวแล้วต่อไปมันจะไม่กลัว ต้องยอมตายใช่ไหมเพราะอย่างมากก็แค่ตายเนี่ยมันจะมาทําลาลองได้มากไปกว่า น, นั้นหล่ากลัวบ้างกลัวจนสั่นเนี่ยก็ต้องฝึกฝ <c oughs> ึกพุทธโทธพุทธโทธไปก่อนแล้วเวลาไปอยู่ที่กลัว <c oughs> เกิดความกลัวเพ้่อนั้นก็ต้องพุทธโทธพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงความกลัวอย่าส่งใจไปสิ่งทรงไปหาสิ่งที่เรา <c oughs> ปูรลีบ้านมู มัดส่องจิตออกนอกแล้วบอกว่าหนูชอบอ่นหลงปุรีหลวงตาชอบว่าทำดีกว่าผีอุ้ยหนูก็กลัวผีเหมือนลุงปูรลีเลยลวงปูรีมัดส่องจิตออกนอกท่านเออก็สึกหลวงปูรีเมื่ที่ที่ไปอยู่ป่าช้าแล้วไปไปได้ยินเสียงแก๊้แกล้แกล้งม้ากัดกระดูกถ้ากระดูกท่านก็คิดว่าเป็นผีมาแต่ท่านก็บังคับใจให้ท่านไปพิสูจนไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ พอเดินไปจึงเห็นว่าหมามันแทะกระดูกตัวเองก็คิดว่าผีมาแล้วผีมาแล้วต้องใจกล้าถ้าไม่กล้าก็ต้องใช้พุโทโธช่วยก่อนเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวอย่าส่งจิตออ ก, อกใช้พุโทโธเดินเข้าห้องนพอพุโทโธเดินเข้าห้างนาแล้วจิตสงบเราจะหายกลัว เราจะรู้ว่าความกลัวนี่อยู่ในใจเราเองเราหลอกเราเองเราปรุงแต่งขึ้นมาเองข้างนอกไม่มีอะไรหรอกถ้าเขาจะมาฆ่าเราเขาฆ่าเราไปนานแล้วหรอใช่ไหมกลัวว่าพญานาคจะขึ้นตรงผ่าตรงกลัวว่าพญานาค <laughs> <laughs> คือว่าอินบอกว่าอย่าไปนั่งใกล้ตรงริมน้ํำนะ <laughs> คนเขาก็ไปทําท่าให้หนูเยค่ะท่าน้ำเลยค่ะความหนูพ่ออินรู้ อย่าไปดั่งอยู่ตรงนั้นนะบางคนก็ไม่ให้เราแผ่เมตตากลัวเขามาขอบรียหุดนะห้ามเผเพตตาเขาจะแฝงแผ่เมตใจแต่นนะเพราะว่าบัวผีไปเยอะเขาเจอกันไม่หมดพูแผ่เมตตาเพื่อเพื่อให้เขาเป็นเมตับเรา ไม่ใช่แต่ไม่ถนัดแม่ท่านอนุเบตรนอนกุดที่คุณแม่เจียนะคะเป็นโลคตาคุณแม่คุณแม่เขาแม่ขลงตาเหรอยิ่งกลัวเขาดนาเยแรกไม่รู้พอคนพูดแล้วยิ่งกลัวใหญ่เลยไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในใจเราถ้ามีจริงๆคนถถวนั้นก็อยู่ไม่ได้กันหมดแล้วใช่ไหม ผีจริงไม่หลอกหรอกผีหลอกไม่จริงเพระนผีหล่อผีจริงไม่หลอกผีหลอกนี่ไม่ใช่ผีจริงผีหลอก็คือใจเราเนี่ยหลอกฮะหลอกเราเองเราปุงแต่งไปเองผูจริงก็คือดวงวิญญาณที่เขาไม่ยังไม่มีร่างกายเขาก็วนไปเวียนมาแต่เขาไม่มาหลอกเรา แสดงว่ามีผีใช่ก็พวเราเนี่ยเวลาตายไปก็เป็นผีพวกเรานี่ทุกคนเนี่ยตายไปก็เป็นผีนะไม่รู้แบบดวงวิญญาณเนี่ยใจของเราเนี่ยพอไม่มีร่างกายก็เป็นผีแล้วจะเป็นผีดีหรือผีไม่ดีผีดีเราก็เรียกว่าเทพร่างทิพย์กายทิพย์นี่ก็เรียกว่าเทพถ้าผีไม่ดีก็เรียกว่าเปรตบ้างเรียกว่าผีบ้างพวกที่ทําบาปเนี่ยจะเป็นเป็นผี เป็นผีไม่ดีเป็นเปรตเป็นอสูรกายแต่ถ้าพวกที่ทำบุญนี่จะเป็นผีดีเป็นเทพเทวดาก็คือเป็นร่างทิพย์นี่ตอนนี้เรามีร่างทิพย์อยู่แล้วเนี่ยร่างทิพย์เราตอนนี้เป็นเป็นเป็นอะไรก็อยู่ที่บุญบาปที่เราทำอยู่แล้วร่างทิพย์ของเราตอนนี้บางคนอาจจะเป็นเทวดาบางคนอาจจะเป็นเปรตเป็นอะไรอยู่แล้วบางคนก็เป็น เป็นพรมบางคนก็เป็นผ้าอาหารเป็นพระมุทธเจ้ามันมันเป็นที่ร่างทิพย์ไม่ได้เป็นที่ร่างกายที่เราทาบุญ น, นั้นเราทําเพื่อร่างทิพย์เราไม่ได้ทําเพื่อร่างกาย ร่างกายเราทําให้มันก็ตอนที่เรากินข้าวเนี่ยเนี่ยตอนนั้นเราทําบุญให้ร่างกายใช่ไหมเวลากินข้าวเนี่ยทําบุญให้ร่างกายเวลาทาทานนี่เวลาทาทานนี่ทำบุญให้กับร่างที่ให้อาหารกับร่าง มาเรื่องผีมาเยอะแต่จะมาฆ่าผีได้ทำ้มหมาไม่กลัวผีเราก็ต้องไม่กลัวด้วมันเพื่อไมกินน้อยกว่าค่ะเรื่องานี้เรื่องไรสาระทั้งนั้นเป็นเรื่องของความเพ้อเจ้อของจิตใจแราปรุงแต่นเองเมื่อท่านที่ที่หลวงตาเล่าที่พระโดนหล่ะเออที่โดนผีผู้หญิงเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ตายผีจริงเนี่ย ก็ผีจริงก็มีไงคงคงเป็นวิญญาณนะอก็วิญญาณไงวิญญาณแล้วมากลัวที่เาตกกันไหมถ้ามันมีเวรมีกรรมกันมันก็มีมีสิทธิ์ที่จะมามีมีอะไรต่อกันได้แต่ถ้าไม่มีเวรมีกรรมกันมันก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วเ่าเคยรู้จักกันเคยขี่กันไหใช่เคยโกรธเคยเกลียดกันอย่างนี้เลอเคยรักกันก็รักกันก็อาจจะมาหากันได้ แลนนี้ทำไมอาจารย์ป้นแล่ะถ้าเรามีมีพลังจิตเราดึงเข้าข้างในเราก็ไม่รับรู้อะไรเหมือนปิดปิดประตูไม่รับแขกแต่จิตที่ชอบส่สารอาจารย์หมออ่อาจารย์หมอบัณฑิตเะยอ่าในวัคบเป็นร้อยวันไปทาบุญหรือเปล่ากาบุญน้ำอ่ก็นาคุณปลูกเข้าไปเงี้ยครบร้อยวันเนี้ยที่ผ่านมา ไปด้วเหรอวันวันไหนนะเมวันเสาร์ที่สิบสามสาที่สิมคนเยีะไหมเยอะไหมหอ<ะ>พอเรามันถึงเวลาเนะี่ไม่มีใครห้ามใครได้หรอกเวลามันจะไป้็ไปก็อย่างที่บอกเรากําลังรอรถไฟกันขบวนใครขบวนมันนะ <c oughs> พอมันมาถึงแลาก็ต้องขึ้นแล้วลนะ่ะ เตยมตัวเตยมจิต เ, อ เ, อเติมบุญเติมกุศลมาเยอะๆ <c oughs> แล้วจะไปสบายไปดีไปสูงไปสุขถ้าไม่มีบุญไปก็ไปไ ป, ไ ป, ไปลำบากไปแบบขอทานถ้าทำบาปมากๆก็ไปใช้กรรมไปรับโทษนี่แหละคือร่างทิพย์ของโลกเราทุกคนที่ไปนี้คือร่างทิพย์ ไอาร่างกายนี้มันไม่ไปมันไปวัดร่างกายนี้ก็พาไปวัดพาไปเผาไอร่ า, างทิพย์นี่ก็ไปไปตามบุญตามบาปต่อเน้นทำตามที่พระเจ้าสอนให้ทำบุญละบาปแล้วก็ชำระความอยากให้หมดไปจากใจแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไปไปพระนิพพานกัน เรีนรูนะความอยากที่ดีก็มีไม่ใช่อยากอยากทุกอย่างไม่ดีอยากทาบุญอยากมาวัดนี้วันเนี้อยากอย่างนี้อยากดีความช่างสงสัยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจารยก็ดีถ้าสงสัยแล้วหาคําตอบได้อย่างเช่นเนี่ยบางทีมันหาคําตอบไม่ได้อย่างเช่นคือทำไมคนเราเนี่ยคือว่าเมื่อสมัยก่อนคนเราน้อยแล้วเราก็พัฒน์พุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมคะใช่เพราตายไป แล้วทําไมคนก็มาเกิดเยอะแยะแล้วมันยังไม่ผีอยู่ทำหน้าจะไม่พอนะคะวิญญาณเนี่ยมีแต่เกิดใช่ไหมคะพวกคนมันจะมโนมากมดก็มีวิญญาณปาก็มีวิญญาณโอานามอาจารย์บอกว่ามดอาจจะมาเกิดได้อ่ได้นดมดก็มาเป็นคนได้นกก็มาเป็นคนได้แมวหมาก็มาเป็นคนได้เปลี่ยนกันไปถ้ามาไม่ได้ก็ต้องไปเป็นนกเป็นแมวรอไปก่อนเพราะบ้านมุ่นมันนิดน่อย คิวที่จะมาเป็นมนุษย์ so มันที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันน้อยไงแต่เกิดมากขึ้นก็เพราะว่ามันมนุษย์มีกามมากขึ้นไงมนุษย์มันมีช่องทางที่จะผลิตมากขึ้นมันก็เลยเกิดมากขึ้นเพราะว่าอยู่เย็นเป็นสุขหาดีอยู่ดีกินดีกันอยู่ดีกินดีกามมันก็แรงแต่เดีวนี้มันก็ต้องลับนับกันนะ บางประเทศเดนนี้เขามีคุมกําเนี่ยจะห้างปริมาณประชากรมันกลับลดลงนะไม่แพ้คุณเราก็ลดลงนะใช่แต่ตอนนี้ก็มังคิดไงครับว่าผีไม่น่ามีก็คําว่าผีก็คือวิญญาณนี่เพิ่มแล้วนะเพราะวิญยันนาจะไปเกิดคือเป็นแบบพวกมันเกิดมากใช่ไหมฮะแล้วก็น่าจะไม่พอน่าจะขาดแทนวิญญาณด้วยซ้ำวิญญาณที่ที่ที่ไม่นี้ไม่ได้เกิดก็มีไงเป็นเป็นเทพไปก่อนเป็นเปรตไปก่อนเนี่พวกนี้ก็เป็นพวกที่รอรอมาเกิดไง รอ เ, เวลามาเกิดนนแปลว่าแต่เดิมมันมีมากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งมันไม่มีแต่โลกมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้โลกเดียวหรอกในจักรวาล น, นี้มันมีต้องเยอะแยะไปดวงวิญญาณของเรานี่สามารถไปเกิดที่โลกอื่นได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเหมือนจรวดเดวงวิญญาณนี่ท่านบอกว่าเพลิงตะคิดก็ถึงละดงนั้นยมดูอย่างนี้ดูไม่ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ายมองภาพเล็ก มองไม่ม อ, มองมองมองไม่เห็นทั้งกว้างทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายคือมนุษย์นี้ไม่ใช่จะมีเพียงแต่ในโลกนี้โลกเดียวในในจักรวาลที่มีดวงดาวมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันต้องมีโลกมนุษย์ที่มนุษย์อยู่ได้เยอะแยะไปเห็นแต่แล้วมันอยู่ห่างไกลกันจนกระท่งเราไม่สามารถติดต่อกันได้หนึ่งนะสองดวงวิญญาณก็มีเยอะแยะจนกระทั่งเราไม่รู้ว่า อยู่ในสภาพไหนบ้างเราคิดว่าอยู่ในสภาพของมนุษย์อย่างเดียวอยู่ในอยู่ในร่างกายของหมาก็มีร่างกายของแมวก็มีของนกของปลาก็มีก็มีมีดวงวิญญาณกระชัต่างๆเรานี่มันก็ไม่ได้ลดลงนะฮะมันก็มีมากขึ้นยอมเคยไปนับเลยไหนพูดมาคือปัจจุบันเนี่ยน้องลองเนี่ยเขาพยายามตอนนี้เวลาตกตาก็ยังห้ามข้ามหาปลาบางบงบางช่วงบางเวลาอลไเพราะว่ามันหมด มันจะสูญพันธุงง์เงีมัมนเมนนขาเลี้ยงไงฮนะเขาเลี้ยงนั่นแหละก็ยอมคิดไปตามโมเมของโยมคนกั <c oughs> ไม่มีหลักฐา น, น, น, า น, น, นว่ายืนยันชัดเจนความท่างสงสยัยไมค่อดีสงสัยแบบไม่มีเห็มุมีผลก็ไม่ดีมันต้องสงสัยแบบมีมีตร ก, กะมีเหตุมีผลก็โอเคต้องส<ม>งสัยแบบน้าพวิทยาศาสตร์เช่น นิวตันเขามองเห็นโลกแอปเปิ้ลหนุนลงมาจากต้นไม้เขาก็ว่าน่าสงสัยว่าทํำไมันไม่ลอยขึ้นไปวะลอสงสัยแบบนี้ดีเพราะมันทําให้เกิดปัญญาขึ้นมามันต้องคิดค้นหาคําตอบแล้วมันก็ได้คําตอบว่าอ๋อเพราะโลกมันเด้งลงมามันั้งตกลงมาโลกมีแรงจึงดูดเนีย่ยมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็เพราะไม่ลอยขึ้นไปท้องฟ้าก็เพราะโลกมันดูดเราไว้อแล้วก็เลยเริ่มหาวิธีแล้วจะทํำไงที่ทําให้มัน เหนือแลหนึ่งดูงดของโลกนี้เขาก็หาวิธีเขามีวิธีทําให้มีดึงให้ให้เราลอยขึ้นไปในอากาศบนฟ้าได้ก็เลยสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้สร้างจรวดจขึ้นมาได้เนี่ความรู้เหล่านี้ความสงสัยเราเนี้ยมันทําให้เกิดความรพระพุทธเจ้าก็สงสัยทําไมต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บตายแล้วทําไงจะไม่ให้มันกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บตาย ความสงสัยแบบนี้ดีเพราะฉะ้มันสงสัยแบบมีเหตุมีผลเท่านั้นเนีอย่าไปสงสัยแบบเพ้อเจ้อคือกำลังคิดเนาหัวกลัววิญญาณกันมากแต่ว่าวิญญาณน่าจะน้อยลงเราจะได้ลดความกลัวลงวิญญาณมีเท่าเดิมปริมาณของดวงจิตดวงใจของสารโลงนี้มีเท่าเดิมเพราะมันไม่ตายไงมันไม่มีวันตาย แต่ปริมาณของสัตว์โลกนี่มันมีเปลี่ยนได้มนุษย์อาจจะน้อยลงเพิ่มมากขึ้นมาแมวหรือหมาหรืออะไรนี่มันอาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้อาจจะมีมากก็ได้ดานเสาวเมื่อก่อนนี้ก็มีไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้มันก็สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีดานูสาวมันก็ไปอยู่ร่างอื่นได้เข้าใจไหม เนี่ยถ้าคนปฏิบัติศาสนาพูดแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่เขาจะไม่สงสัยว่าโลกอื่นมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์เขารู้ว่ามีเพราะมันเป็นไปได้ไม่ได้หรอกที่จะมีมนุษย์แค่โลกนี้โลกเดียวัเพราะดวงวิ ญ, ญญาณที่มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีเยอะแ ย, ย, ยะจะตายเลยมันก็ต้องมีโลกอื่นไว้รองรับมนุษย์ต่อไปไม่น่าต่อไปถ้ามนุษย์พัฒนาสามารถสร้างจรวดพอเข้านางเขาจะไปเจออีกโลกไปเจอมนุษย์เด็กโลกก็ได้ใช่ไหม แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไปถึงนะแต่พูดตามหลักของตรารกะกาแล้วมันต้องมีพบเป็นไปได้ที่ไหนว่าจาั ก, กรวาลทั้งจั ก, กรวาลที่มีดวงดาวเป็นแสนแสนล้านดวงจะ <c oughs> มีมนุษย์อยู่บนดวงดาวดวงนี้ดวงเดียวเท่านะั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก่ำไหมแต่ไม่สําคัญล่ะความรู้เหล่านี้พระเจ้า บ, บอกบนันดาจินตายรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ให้รู้วิธีดับความทุกข์ใจเราก็พอเพราะปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่มีมีวิญญาณกี่ดวงกอไม่มีวิญญาณกี่ดวงปัญหาอยู่ของเราอยู่ที่เรากันที่เราสุขใจแล้วเราทุกข์ใจใช่ไหมปอกใจไงฮะเวลาเจอมีเสียง ม, มืดทํามืดอะไรอะไรโอ้วิญญาณไม่ค่อยมีเพราะว่ามันน้อยลงน้อยนองไม่น้อยน้องขอวิ ญ, ญญาณเดียวเราก็กลัวแล้ว ที่ดับทุกนในใจทำยังไงจ๊ะเนี่ยภาวนาเนยพุโทโธเลยทําตลอดได้แต่จิตสงบค่ะแล้วก็ตัดตัณหากิเลสความอยากต่างๆอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นนี่ก็ตัดไปให้หมดเต็มรถเลยทั้งวันกินทานผลไม้ก็ื้อซื้อไปทาบุญได้แต่ซื้ออยากไปกินเอง ถ้ามันอยากจะซื้ออะไรซื้อแล้วก็ไปทําบุญยาวมายาวมากินเองยาวมาใช้เองแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากซื้อเอง ต, ต้องข้างล่างที่ที่ศาลาที่ที่ศาลาหอฉั้นจะมีค่อนข้างจะมีห้องขวัวเขาเก็บของยมีคนอยู่ที่นั่นของคนของวัดฝากเขาไว้ได้ <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมจะ <c oughs> มีจะให้พลอยาากม ท, ที่นี่มันไม่ใช่วัดภาวนามันวัดจําศีลวัดแก้บน <c oughs> บน ค, นคนไม่ค่อยฟังทอรมาเยังมากก็ลงบทเช้าเย็นไหวพระสวดมนต์อย่้วส่วนใหญ่จะมาขอพรมาขอบนบานศาลกล่าวกันแ ล, แล้วพอได้แล้วแล้วก็มามาอยู่แก้บนกันแต่ก็มี <c oughs> บางคน <c oughs> ที่ทางางวัดยา ที่วัดยังอันนี้เป็นเป็ น, ปนอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นของป่าไม้อันนี้อันนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่ไม่ได้ข้างบนนี้อยู่เป็นที่อยู่ของพระญาติโยมนี้ต้องไปอยู่ข้างล่างไปอยู่บ้านตา ด, ดีกว่าร <c oughs> ดยฐานี้ใกล้ๆก็ฐานานู้นก็อยู่บ้านใกล้ๆแถวใกล้ๆแถวนี้ก็มีวัดธรรมประทุนเคยได้ยินหรืเปล่าธรรมประทุนไปบ่อยเราตาก็มีหลวงปู่ขอดูหลวงปู่วัดศรีหลวงปู่วัดเอี อย่างนี้ก็ถ้าที่ได้ยินก็มีมีมมมวัดเนี่ยที่มีญาติโยมพอที่จะไปอยู่ภาวนาได้ที่วันนี้ก็ภาวนาได้เหมือนกันแต่มจะไ ม, ไม่ไม่ไม่เข้มข้ น, นต้องตัวใครตัวมันถ้าอยากจะภาวนาเขาภาวนาทำความทำหลวงพ่อคอยกระตุ้นอ <c oughs> <ช>อเก็ได้ <c oughs> เพราะว่านู่งจิตนุ่งบันดึอ <c oughs> <c oughs> ต้องมาฟังบ <C oughs> ่อย